ภาวะธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุอาหารอินทรีย์ฌานมัคภละเหตุภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มนายตนะมนินสีมนโนวิญญาณธาตุธรรมายตนะและธรรมธาตุในสมัยนั้นหรือสภาวะที่ไม่เป็นรูป ซึงอิงอาศัยคันเกิดขึ้นแม้เอื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเหล่านี้ชื่อว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน เหล่านี้ชื่อว่าขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนมานายตนะและธรรมายตนะเหล่านี้ชื่อว่าอายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเหล่านี้ชื่อว่าธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนภาษาอาหาร มนุสสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารเหล่านี้ชื่อว่าอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสัตทินทรียวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์ปัญญทรีย์มนินทรีย์สมณะศินทรีย์และชีวิตทรีย์เหล่านี้ชื่อว่าอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นฌานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน วิตกวิจารปีติสุและเอกกรคตานี้ชื่อว่าฌานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมรรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกัตปะสัมมาวายมะสัมม า, ามสมมาติและสัมมาสมาธินี้ชื่อว่ามรรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นภะละทะี่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงจัตถาภละวิ ร, ริยะภละสติภะละส ม, มาธิภะละ ปัญญาภละกิริภะละและโอตตะปะภะละเหล่านี้ชื่อว่าภะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเหตุ A, ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนอโลภะอโทสะและอโมหะเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นภัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนละถึงนี้ชื่อว่าภัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน <TV> ละถึงนี้ชื่อว่าเวทนาที Son ่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงน้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาขันท์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน นี้ชื่อว่าเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนนี้ชื่อว่าสัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนนี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนนี้ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น มนายาตนะที่เกิดข tai, ึ้นในสมัมสย Regina, นั้นเป็นไงนี้ชื่อว่ามนายาตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนินทรียิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนี้ชื่อว่ามนินทรียิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมโนวิญญาณธาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นธรรมายาตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมาจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นธรรมท่าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมท่าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรม ท, ที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยนเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล สุญลตาวาระจบกุศลละจิตดวงที่สองสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรโคตด้วยสมณัตสำประยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์ และถึงมีทมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะและถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุศลละจิต ด, ดวงที่สามสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นการมาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรโครด้วยสมนัสวิปยุตจากยาน มีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสตินีวิรินรินีสตินีสมาธินีมนินีสมนัสินีชีวิตินีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิรยิยะภลสติภะละสมาธิภละหิริภะลโอตปะภะละอโลภะอโทสะอะนาิจาระอพยาบาทหิริโอตปะกายปสัสสัติจิตตปสัสสัติกายละหุตาจิตละหุตากายมุทุตาจิตมุตุตากายกรรมัญญตา จิตตกามัญญตากายะปาคุญญาตาจิตตะปาคุญญาต า, ต า, ก, ญญ า, ตากายุชุ ก, กตาจิตุชุ ก, กตาสติสมถะปค า, าหะและอวิเศษปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันห้าอายตนะสองท่าสองอาหาร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 วิจารปีติเอกเขขตาสัตถินรียวิริินสีสติินรียสมาธินสีชีวิตินรีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภลวิริยะภละสติภะละสมาธิภะละหิริภะละโอตปะภะละอโลภะอโทสะอะนภิชาอพยาบาทหิริ ตปะกายปัสสธิจิตตปัสสธิกายละหุตาจิตละหุตากายมุทุตาจิตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายปาคุญญาตาจิตปาคุณญาตากายยชุกตาจิตุชุกตาสติสมัติปัาหะและอวิเคปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึ่งอิงอาศัยขันเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน์นี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุศลลจิต ด, ดวงที่สี่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหอรคตด้วยโสมนัสวิประยุจจากญาณมีรูปเป็นอารมณ์ และถึงมีธทรำรเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุจักจุในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะและถึงอวิเศปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปุสโสจิตดวงที่ห้าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลางมวจรซึ่งเป็นกุศลสะหระรโคต ด, ด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ ด, ด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโผฏฐพะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นปัจจะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบคาเอขคตาสตินีวิรินีสตินีสมาธินีปัญญี มนินทร์สีภเบกขินจีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละเวริยะภละสติภะละสมาธิภะลปัญญาภละหิริภะละโอตตะปะภะละอโลภะอโทสะอโมหะอนาปิชาระอภยบาทสัมมาทิฏฐิหิริ โอตปะกายปัสสถานิจิตตปัสสถานิกายโลหุตาจิตตโลหุตากายโมุทุตาจิตตโมทุตากายกรรมัญญาตาจิตตกรรมัญญาตากายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายยุชุกตาจิตุชุกตาสติสัมปัญญะสมถะวิปัสนาปคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้น หรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยการเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบยิริยาที่กระทบยิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางใจก็ไม่ใช่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 สตินสีสมาธินีปัญญินีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิริยะภละสติภะละสมาธิภละปัญญาภละหิริภะละโอตปะภะละอโลภะอโทสะอโมหะอนภิชจะอพยาบาทสัมมาทิฏฐิ กิริโอตปะกายปัสสธิจิตตปัสสติกายะลหุตาจิตตารหุตากายะโมทุตาจิตตาโทุตากายะกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายะปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมาชัญญะสมถะวิปัจนาปะคาหะและอวิเคปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึงอิงอาศัยงเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันน้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุศลลจิต ด, ดวงที่หกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหระโคด้วยอุเบขาสัมประยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์ และถึงมีธทรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะและถึงพวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุศลลจิต ด, ดวงที่เจสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุจจากญาณ มีรูปเป็นอารมณ์และถึงมีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารพอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบกขาเอกระคตาสัธินีวิรินีสตินีสมาตินีมนินีอุเบขินีชีวิตินีสั ม, มาสังกัปปะส ม, มาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิศรัทธาภลวิ ร, ยริยะภลสติภละสมาธิภละหิริภละโอตปะภละอโลภะอโทสะอนาปิชาอภยาบาทหิริโอตปะกายปัสสถิจิตตปัสสถิกายละหุตาจิตตละหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมญตาจิตตกรรมยตา กายปาคุณญาตาจิตตปาคุณญาตากายุชุ ก, กตาจิตุชุ ก, กตาสติสมถะปัจ ค, คาหะและวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซื้ออิงาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขัน4ีายตนะสองท่าสองอาหารสามอินรีเจ็ดชาญมีองศี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 สตินีวิริยินีสตินีสมาตินีชีวิตินรียสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทพาละวิริยพาละสติพาลสมาธิพาละหิริพล ะ, พละโอตปะพาละอโลภาอโทสะอะนาิชาอะพยาบาทหิริโอตปะกายปัสสธิจิตตปัสสธิ กายละหุตาจิตตละหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญาตาจิตตกรรมัญญาตากายปาคุญญตาจิตตะปาคุญญตากายยุชุกตาจิตตุชุกตาสติสมถะปัาหะและวิเขปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน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 ภาษะและถึงอวิเหปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกามาวจรมหากุศลละจิตทั้งแปดดวงจบธุติยภานวาระจบ จงกุศลจิตจจตุกนาฏสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสลัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปทวีคสินเป็นอารมณ์มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะละถึงอวิเคปาก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปัทวีะสินเป็นอารมณ์มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตปิติสุขเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมนินรีโสมนสินสีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะละถึงปัาหะและอวิเเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันธ์สอายตนะสองท่าสองอาหารสามอินรียปดฌานมีองค์สามมรคมีองค์สี่ภละเจ็ดเหตสามภาษาหนึ่งและถึงธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นรู้สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยการเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสังขารคันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนิดภาษะเจตนาปิติเอกคตาสตินสีวิริยนินสีสตินสีสมาธินีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและถึงปค า, าหะและอวิเศปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึงอิอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่มีปทวิกสินเป็นอารมณ์ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกขัตาสัตินรีวิริยินีสติินีสมาธินีปัญญินรีเมนินีสมุนทะสินีชีวิตินรีย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 ธรรมายตนะหนึ่งและธรรมาธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศรรัยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไฉพัสสะเจตนาเอกกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาตินสีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐ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 เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจัตุทัชฌานที่มีปัทวิภศิเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกขตาสธินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมณินสีน โอเปกขินสีชีวิตินรมมีสัมาทิฏฐิสัมาวายามะละถึงปะคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันสีอายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินรียปดฌานมีองสองมัคมีองสี่ภะละเจ็ด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 จากันยในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมารคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกรามและถึงบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะและถึงอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน โยคาวจรนบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุทุติยฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิจารปีติสุขเอกคตาสัตินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินีปัญญินรี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 โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่มีปัทวิควสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตปีติสุขเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธิ น, น, น, น, น, สนสีปัญญินสีมนินรีสมณสินสี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 เพราะปิติแจางคลายไปบรรลุจจตุธฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกคตาสถินรีวิริยินรีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีมนินรีโสมนสินรีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะ ปักคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขัน4ีายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินรีแปดฌานมีองค์สองมักมีองค์สี่ภะละเจ็ดเหตุสามภาสะหนึ่งธรัมรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้น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 บรรลุปัญจมชฌ ان ที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบขาเอลกัคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาตินสีปัญญินสีมนินสีโอเบขินสีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะปะคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้น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 ปฏิปาสี่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังัดจจกกลามบรรลุปถมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะละถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสังัดจากกามบรรลุปถมฌานที่มีปัทวีกศินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังัดจจกกามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงังอาจจกกาม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 บรรลุจัตุทัชฌานบรรลุปถมชฌาบนบรรลุปัญจมชฌานที่มีปทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาที่มีปทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาที่มีปทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาที่มีปทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภาสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปฏิปทาสี่จบอารมณ์สี่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหน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 สงัดจากกามบรรลุปถมฌานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาาัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ ซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีะสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพโร์อยู่ในสมัยใด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 และมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยโบลที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ซึ่งมีกําลังมากและมีอารมณ์ไภัยโบ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล อารมณ์สี่จบ